นุวิทย์เป็นไงนุวิทย์มีความก้าวหน้าขึ้นครับปฏิบัติได้ดีขึ้นมากครับดีทำถูกแล้วดรยังสู้เขาไม่ได้แล้อเปล่าถอยมาตั้งหลักค่ะถอยมาตั้งหลักไป <c oughs> ถึงไหนแล้วเมื่อเช้าแมวต่อเลย <c oughs> คือช่วงช่วงครั้งที่แล้วอะค่ะที่หลวงพ่อวัดบอกว่าจิตมันไปเกาะนิ่งๆไปหน่อยอะค่ะตอนนี้ก็ลองคอยดูก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอารมณ์ขึ้นลงเท่าไหร่อะค่ะก็ดีกว่าก่อนแล้วไม่แข็งเท่าครั้งก่อนอยากให้มีอารมณ์ขึ้นลงต้องมีผัสสะแรงๆค่ะมันไม่ค่อยมีผัสสะแรงๆค่ะ คืออารมณ์ไม่ขึ้นลงก็ไม่เป็นไรอยู่ตรงที่ว่าเราไม่ได้ไปตรึงความรู้สึกไว้ถ้าเราไม่ได้ตรึงความรู้สึกไว้แล้วมันไม่มีภาษาอะไรที่รุนแรงอารมณ์มันก็ไม่ขึ้นลงที่แมวทําผิดนั้นเพราะว่าเราไปตรึงความรู้สึกไว้ต่อให้ภาษาแรงก็ไม่ขึ้นลงอันนั้นถ้าหากที่ผิดเพราะฉนั้นขนาะนี้ไม่ได้ตรึงไว้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็ ขอขอนุญาตถามคำถามหนึ่งได้ไหมคะคือเวลาที่หลวงพ่อเทศบอกว่าเวลาภาวนาไปแล้วเนี่ยบางทีจิตก็มีความสุขแต่บางทีหลวงพ่อก็บอกว่าก็จะเห็นความทุกข์ล้วนๆ น, นะคะทีนี้เลยเข้าใจเอาเองว่ามันเป็นคนละระดับกันใช่ไหมคะใช่เวลาานกันเวลาเราภาวนานะถ้าเราดูที่ขันเนี่ยจะมีความทุกข์ล้วนๆเลยเพราะขันเป็นตัวทุกข์นะ ถ้าปัญญาเราแก่รอบพอถ้าปัญญาแก่รอบไม่พอเราก็เห็นขันเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างแต่ตัวจิตตัวใจตัวผู้รู้ผู้ดูนะมีความสุขนะถ้าเรารู้อยู่ที่ตัวผู้รู้ก็มีแต่ความสุขนี้การปฏิบัตินะั้นไม่ได้ให้รู้อยู่ที่ตัวผู้รู้ถ้าไปรู้อยู่ที่ตัวผู้รู้นิ่งกับความสุขไปติดอยู่นะันก็ติดสมถะเหมือนกัน บางครั้งจิตก็ระลึกรู้กายบางครั้งจิตระลึกรู้ใจบางครั้งจิตระลึกรู้ผู้รู้ก็ไม่เป็นไรเขาระลึกเองงั้นไม่เป็นไรอย่าจงใจไประลึกอันใดอันหนึ่งก็แล้วกัน <c oughs> รู้สึกไหมบางคนไปเจอผู้รู้นะแล้วไปจ้องใส่ตัวผู้รู้ไว้ไอ้ยางไงไม่ถูกแ <c oughs> ล้เไงมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะใจไม่ตั้งมั่นหรวกาไหม <c oughs> จิตตอนนี้ไม่ตั้งมั่น ไม่ถึงฐานมันดูออกไหม <c oughs> นี่แหละไปดูเถอะนั่นนะ <c oughs> แหละ้วจิตไม่ตั้งมนนะั่นอ้ารินก็มียังถล่าไปดูเยอะค่ะแล้วใจทื่อๆอยู่ดูออกไหมอันนี้ดูไม่ออกรู้สึกไหมมันนิ่งๆ <c oughs> มันนิ่งๆมันทือๆ <c oughs> มันยังซึมๆอยู่ให้รู้ทันหนค่งค <c oughs> ่ะส่งต่อไป เคยมาไหมคนนี้เคยเพิ่งเคยมาครั้งแรกที่นี่อะค่ะเ ค, ยค อ, อยากมายัางไงอะคืออยากจะกราบมานักสการถามเรียนถามว่า เ, ออเวลาปฏิบัติชอบง่วงนอนอยู่ตลอดเวลาเล้วไปยืนเลยไปยืนเดินไปนะ <c oughs> อย่านั่ง ค, คือส่วนใหญ่จะมีเวลาง่วงมากกว่าเวลาที่จะปกติอะค่ะนั่นเราต้องพยายามฝึกตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ง่วงฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันให้ได้ ทำงานอะไรล่ะอ๋ออันนี้ออกมาแล้วอะค่ะไม่มีอะไรทำหางานต้องหางานทำทำงานบ้านก็อย่างดีก็เวลาทํางานก็พยายามดูจิตอยู่อะค่ะให้รู้ไปเรื่อยๆนะงกายเคลื่อนไหวคอรู้สึกจิตเคลื่อนไหวคอรู้สึกเนี่ยตอนนี้จิตไหลแวบๆสาครั้งต่อกัน4ี่ครั้งแล้รู้สึกไหมค่ะจะให้รู้ทันรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆ เนี่ยหนีไปคิดแล้วทราบไหมได้ไหลไปแล้วไหลไปคิดให้รู้ลงไปเร ย, ย่อยๆรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นเลยจิตนี้มันทำงานทั้งวันทั้งคืนมันไม่เที่ยงจิตนี้บังคับไม่ได้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเลือกไม่ได้มันเป็นอนัตตาบังคับมันไม่ได้เนี่ยใจลอยแว บ, บหนึ่งทราบไหมมันห <c oughs> นีแว บ, บไปดูออกไหม <c oughs> พอบอกเรารู้ไหม บอกแล้วยังไม่รู้นะก็ต้องต้องฟังอีกนานหน่อยถ้าบอกแล้วเห็นสภาวะก็ง่ายแต่ที่ทําอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วนะใจค่อยตื่นแล้วล่ะคือรู้สึกว่าจะใจร้อนอยากให้ให้เร็วอะค่ะโอยิ่งอยากยิ่งไม่ได้เพราะว่าอายุมากแล้วก็เลยอายุมากแล้วต้องใจเย็นเย็นยิ่งจริงใจร้อนยิ่งทําไม่ได้ อย่างคนเราอายุมากเราจะต้องเดินหลายกิโลเงี้คยค่อยๆเดินไปอย่าไปรีบจ้ำๆนะ<ช>จ้า<ำ>ๆเดี๋ยวขาแพลงเอวเครียดอยู่กลางทางเลยไปไม่ได้ภาวนาก็เหมือนกันรีบร้อนไม่ได้ค่อยๆทำไปได้แค่ไหนแค่นั้นแค่จริงแล้ง่ายสุดๆเลยจะบอกให้ใอยากจะกราบเรียนถามอีกข้อนึงนะคะ ว่าเวลาไปปฏิบัติธรรมในที่เปรี่ยวค่ะหมายถึงในป่าอะไรอย่างนี้ค่ะจะเกิดความกลัวมากเมื่อได้ยินเสียงต่างๆรบกวนนะคะซึ่งเราคิดว่ามันไม่ใช่เสียงคนหรือเสียงสัตว์เป็นเสียงที่ทางวิญญาณแล้วก็มีในวิญญาณเป็นสัตว์นะวิญญก็เป็นสัตว์อย่างหนึ่งค่ะคือมาในขณะเดียวกันหลายๆหลายๆทางนะคะแล้วก็เราก็กำหนดสติอยู่นะคะแต่มันก็สู้ไม่ได้ให้ดูที่ใจเราอย่าไปฟังเสียง ดูใจเราลูกเดียวเลยคือคือมันเราไม่ได้ปรุงไปเองนะคะเพราะมันได้ยินเสียงขณะที่เราเดินอยู่เดินจงกรมอะค่ะได้ยินตลอดเลยแล้วมันมีหลายด้านในคลาวเดียวกันก็ดีในแก้ง่วงแล้วแล้วมันเจอทุกแห่งที่นั่นนะคะพอย้ายปุดไปก็เจออีกทีนี้เราก็คิดว่าเอะเราไม่ได้ปรุงเองที่ไหนก็มีคะในบ้านในเมืองก็มีแล้วไม่ใช่มีแต่ในป่า ที่ไหนก็มีแต่ว่าเราอยู่บ้านเราไม่ค่อยคิดถึงมันก็ไม่เห็นไม่สนใจอยู่ในป่านะใจมันประแวงระวังค่อยสนใจไปดูเขาเองอ่ะแต่เราก็แก้โดยว่าโดยแผ่เมตตาก่อนนะคะแผ่เมตตาให้เขาเขาก็ยังไม่ยอมแผ่เมตตาแล้วแผ่ส่วนบุญด้วยคนละอันกันแผ่ส่วนกุศลที่เราทำมาไว้ในชาติก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะวิธีทำไมให้ชาติก่อนชาตินี้ไม่ให้ ทำไมมันงกปานนั้นคือคือยกให้เขาเยอะๆเขาจะได้ไม่ทาอะไรเราเนี่ยเรากำลังจะทําความดีเดี๋ยวมีบุญแล้วจะแถมให้อีกแบบนี้นะค่ะก็ก็บอกว่าเราเรายิ่งทําเราเจริญในธรรมเราก็จะแผ่ส่วนกุศลให้เขามากกว่านี้เอออย่างงี้แหละติดสินบนไว้เงี้ยเลยมันจะได้สงสารแต่เขาก็ไม่ไม่ค่อยแต่ก็ค่อยๆซาลงอะฮะค่อยๆพวกนี้นะมีเคล็ดลับอันหนึ่งต้องไม่สนใจ ยิ่งสนใจเนะียิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆ ค, <ะ>ค่ะค่ะขอบพระคุณคะ่ะเอาคุณสันครับก็ช่วงที่ผ่านมา ก, การปฏิบัติถ้าเปรียบเหมือนกราฟเนี่ยมันมันจะแบบขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกับว่าบางช่วงก็ดีบางช่วงก็เหมือนกับว่ า, ามันมีอะไรที่เห็นชัดชัดชัด มันช่วงก็ไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าอย่างบางทีดูความฟุง้งดูไปเรื่อยๆพอสักพักป๊บมันก็เหมือนเงียบส ง, งัดไปหมดเลยนะครับเป็นเป็นช่วงแต่แป๊บเดียวเองเอครับแล้วก็เออก็เห็น ท, ทั้งเท่านี้มีทั้งอะไรความอะไรแบบโทสะก็มีเห็นชัดๆบางทีกำมันนึกเลยทำไม เป็นถึงขนาดนี้แคนั้นแหละจริงๆแล้วเราร้ายกว่าที่เราคิด <c oughs> ถ้าเราภาวานาไม่เป็นแล้วเราจะเป็นคนดี <c oughs> ภาวานาเป็นแล้วเรารู้เลยเราร้ายมากเลยกิเลสเนี่ยเกิดทั้งวันเลยครับเ <c oughs> อาคุณสันพื้นฐานเดิมมันขี้โมโหตรงนี้ <c oughs> ขึ้นมาเยอะแต่ว่าเราภาวานาเนี่ยไม่ได้เอาดีไม่ได้เอาสุขไม่ได้เอาสงบภาวานาเพื่อเอาความจริงให้เห็นเลยจิตนี้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็สงบ ดูอย่างนี้แล้วก็เมื่อมันไปรู้ความดีความร้ายความสุขความสงบแล้วมันหวั่นไหวมันยินดียินร้ายให้รู้ทันตัวนี้รู้ทันใ้สุดใจจะเป็นกลางกับทุกๆสภาวะไป ร, รู้แล้วก็รู้สภาวะไปด้วยใจที่เป็นกลางโดยธรรมดาของขันเนี่ยขันเป็นสังขรารธรรมเป็นสังฆตาธรรมเป็นธรรมะที่ยังปรุงแต่งอยู่เราจะห้ามขันไม่ให้ปรุงแต่งไม่ได้อย่างเราจะห้ามจิตไม่ให้ปรุงแต่งไม่ได้ ว่าจิตมีหน้าที่ปรุงแต่งจิตชื่อว่าจิตเพราะมันวิจิตนะมันช่างปรุงแต่งมันวิจิตวิสดามันช่างปรุงแต่งเราจะไปห้ามไม่ให้มันคิดนึกปรุงแต่งไม่ได้เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อทำให้ขันนี่ผิดไปจากธรรมชาติเดิมแต่ว่าเราจะรู้ความปรุงแต่งของขันนี่นะโดยใจที่ไม่ปรุงแต่งเพิ่มเติมตัวนี้สาคัญขันมันปรุงแต่งโดยตัวของมันเองหอก ร่างกายมันก็ปรุงแต่งนะมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนี hmm. ่มันก็ปรุงของมันจิตใจก็ปรุงแต่งเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์<ๆ>เดี๋ยวดีเ<ๆ>ดี๋ยวร้ายเ<ๆ>ดี๋ยวคิดโน<ๆ>้นเดี๋ยวคิดนี้เดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านก็ปรุงของเขาเราไม่แทรกแซงให้รู้ความปรุงแต่งของขันโดยใจเรานี้ไม่เข้าไปปรุงแต่งอะไรเพิ่มเติมเะนั้นจิตมีความโกรธขึ้นมาไม่ใช่อยากให้หายโกรธไม่ต้องไปพุทโทพุโทโธโกรธหนอโกรธหนอนะอันะนั้นสมถะเลย ถ้ามุ่งดับความโกรธมุ่งดับอกุศลมุ่งจะให้มีแต่ความสุขมุ่งจะเอาความสงบเอาความดีเรื่องของสมถตาทั้งหมดเลยมีปรัชนาทําเพื่อเอาความจริงความจริงของขันก็คือขันมันเป็นของปรุงแต่งมันเลยไม่เที่ยงขันมันเป็นของปรุงแต่งมันเลยเป็นทุกขขันมันปรุงแต่งของมันเองนะบังคับไม่ได้มันเป็นนัตตาเราดูไปเจอทั้งใจมันมีปัญญานะใจไม่เข้าไปปรุงแต่งขัน ขันก็ปรุงแต่งส่วนของขันนั่นแหละแต่ใจเราไม่เข้าไปปรุงแต่งขันเมื่อใจเราไม่เข้าไปปรุงแต่งขันใจไม่ทำงานตัวนี้เรียกว่าไม่สร้างภพอันใหม่ขึ้นมาการทำงานของใจของจิตก็คือการสร้างภพนั่นเองคำว่าภพอสษาบาลีในปฏิจจสมุ ป, ปบาทคำเต็มๆของมันคือคำว่ากรรมภพคือการทำงานทางใจนั่นเองเนี่ยถ้าเรามีตัณหาขึ้นมาเราอยากโน่อนอยากนี่นะเราไม่เป็นกลางกับสภาวะ อยากสุขอยากพ้นทุกข์อยากสงบไม่อยากฟุ้งซ่านอะไใจจะดิ้นรนใจจะทํางานแล้วใจจะมีความทุกข์ซ้อนขึ้นมาอีกตัวขันก็เป็นทุกข์โดยตัวของขันแล้วใจยังเป็นทุกข์แถมขึ้นมาอีกอันหนึ่งนี่ถ้าเรารู้ทันนะเราก็ไม่ปรุงแต่งต่อเราก็เห็นขันเป็นทุกข์ส่วนของขันไปใจเราไม่ทุกข์ด้วยใจเป็นธรรมชาติรู้รู้ขันไปก็เข้าใจเลยขันนี้เป็นกองทุกข์ล้วนๆนี่เรียกว่ารู้ทุกข์รู้ทุกข์แจ่มแจ้งต่อไปไม่มีสมุทัย ใจไม่อยากให้ให้ขันนี้มีความสุกแล้วเพราะขันนี้เป็นตัวทุกข์นะไม่อยากให้ขันเที่ยงแล้วรู้ว่าขันไม่เที่ยงไม่อยากว่าขันเป็นตัวเรานะเพราะรู้แล้วไม่ใช่เราหรอปัญญามันรู้รู้ขันแจ่มแจ้งเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทยัยคือความอยากของจิตเนี่ยจะหายไปอัตโนมัตินะไม่เกิดอีกจิตใจพอมันหมดความอยากหมดความริ้นรนมันจะเข้าถึงความสงบสุขที่เรียกว่านิโรธหรือนิพพานนิพพานคือสันตินะ นิพพานมีสันติลักษณะก็รียนอริธรรมจะบอกว่าใจของเราสงบสันติเราไม่ดิ้นรนแล้วเราคอ ร, รู้นะรู้ขันไปขั้นต้นในรู้ขันไปขันเป็นทุกข์ขันไม่เที่ยงขันปรุงแต่งเราอย่าปรุงแต่งขันรู้ด้วยความเป็นกลางถ้าไม่เป็นกลางรู้ทันว่าไม่เป็นกลางเหมือนที่พรุทธเจ้าบอกภิสูจนทั้งหลายเมื่อใจรู้ทำมารมณ์หรือเมื่อตาเห็นรูปอะไรก็ตามความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้มีสติรู้ทัน รู้ทันความยินดียินร้ายในสุดจิตมันก็เป็นกลางอันนี้เป็นกลางด้วยสมาธินะ<ม>เป็นกลางด้วยการไปรู้เท่าทันความยินดีนร้ายความยินดีแล้าขาดกระเด็นไปใจก็ตั้งมั่นรู้ขันทํางานต่อไปรู้ขันทํางานต่อไปแล้วเห็นชัดๆเลยเขาแสดงใจรักตลอดเขไม่ใช่เรานะมันจะวางขัน<ม>พอวางขันเนี่ยจะหมดตัณหาคือหมดความอยากจะให้ขันมีความสุข หมดความอยากแก่ให้ขันพ้นทุกข์ประจิตใจหมดตัณหาอย่างแท้จริงนะนี้โรดหรือนิพพานก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานไม่ได้อยู่ไกล น, นะเมื่อไร่สิ้นตัณหาก็เมื่อ น, นั้นเห็นนิพพานสงสัยมากหรือตัอ้มตงที่เห็นความยินดีร้ายเนี่ยตรงเนี้ยถ้ารู้ด้วยปัญญาก็ได้แต่ถ้ารู้ด้วยปัญญาแล้ขาดไปก็ไม่เป็นไรก็ดียิ่งดีใหญ่ แต่ถ้าไปเห็นความยินดีร้ายแล้วใช้สมาธิใช้สมาธิคมไว้ก่อนแล้วก็รู้ขันไปอย่างนี้ก็ใช้ได้สอนแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกเงินไม่ต้องกงกังวลตรงนี้ว่าทำไมไม่เหมือนที่เราคิดไป อ, อ๋ยังไม่ได้ถามอ่ะตอบไปแล้วขอถอนเนาะลืมไปนอกจากจมีคำถามที่สงสัยอยากจะถามคือ่ม มันเหมือนมีสภาวะหนึ่งที่เอไปเห็นแล้วก็เสร็จแล้วก็มารูกที่ตัวเองใช่ไหมฮะมันเป็นเพียงช่วงเวลาแทบเดียวก็เลยไม่ก็เลยไ ม, ไม่ไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาที่ทํามาในระหว่างนั้นคือสติมันมีหลายระดับหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่มันจะเป็นก่อนๆนะั้นไม่ใช่ของจริงหรกอกอไม่ใช่ของจริงนะเพนั้นที่เราฝึกอยู่ก่อนเนไม่ใช่ของจริงหรอกตอนนี้สติตัวจริงค่อยเกิดแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจความแตกต่าง แต่เดิมมาเรียนกับหลวงพ่อใหม่ๆหลวงพ่อก็ไม่กล้าบอกนะว่าที่ทําอยู่ไม่ถูกหลวงพ่อก็ค่อยประคองประคองไปพอสติเกิดแล้วเห็นเองแหละไม่เหมือนกันหรอกไม่เหมือนกันในทุกทุกอย่างเลยนะสติที่หลวงพ่อสอนเนี่ยคือความระลึกได้สติที่เราเคยเรียนคือการกําหนดโบราณกันความระลึกได้เกิดจากทีราสัญญาจิตจําสภาวะได้แล้วระลึกขึ้นได้เองนะอันหนึง่งเกิดจากโลภะจงใจไปกําหนดโบราณกัน ถ้จงใจกําหนดใจก็แข็งแข็งแน่นๆขึ้นมาอึดอัดถ้าสติสักว่าเราลึกขึ้นโดยไม่มีเจตนายนะัเห็นไหมมันโปร่งโล่งเบาใจที่โปร่งโล่งเบาเป็นกุศลนะเป็นมหากุศลจิตใจที่หนักๆนั้นอกุศลจิตไม่ได้มีอะไรเหมือนกันเลยนะสมาธิก็ต่างกันสมาธิที่หลวงพ่อสอนเนี่ยคือตัวสมาธิที่เรียกว่าจิตมันตั้งมั่นในระหว่างที่รู้อารมณ์สมาธิาที่พวกเราเรียนแต่ก่อนๆนะั้น คือจิตเข้าไปตั้งแช่ไว้ที่ตัวอารมณ์นึกออกไหมไปแช่ที่เท้าแช่ที่ท้องจิตที่ไปแช่กับตัวอารมณ์ไปเพ่งตัวอารมณ์นะมันทําอารามณูพนิชฌานเพ่งตัวอารมณ์เป็นสมถะนะจิตตั้งมัน่นสักว่ารู้อารมณ์นี่ถึงจะเป็นมิปัสสนาจิตตั้งมั่นอยู่ต่าหานี่พวกเราชอบไปรู้กายที่ฝึกมาเก่ามันรู้กายรู้กายจะทําได้ดีถ้าทําชาญ น, นี่เราไม่ได้ทําชาญจิตเลยไม่ตั้งมัน่นตั้งไม่พอ ถ้าทำจนถึงชา้นที่สองมันจะมีสภาวะธรรมอันหนึ่งเรียกว่าเอโกทิภาวะเกิดขึ้นสภาวะแห่งความเป็นหนึ่งพระป่าท่านจะเรียกว่าจิตผู้รู้นี่พอมีจิตผู้รู้แล้วมารู้กายเนี่ยนะจะเห็นทันทีเลยกายไม่ใช่ตัวเราเห็นอย่างสบายๆเห็นเลยไม่ต้องคิดนะจะเห็นเลยเพราะฉะนั้น ส, ส, สมาธิเนี่ยตั้งมั่นแล้วก็รู้อารมณ์สักว่ารู้สักว่าเห็นอันหนึ่งสมาธิที่ถลำก็ไปแช่อารมณ์นี่อีกอันหนึ่งโบราณกัน ปัญญาที่เกิดจากการเห็นไตรลักษณ์เห็นสภาวะแสดงไตรลักษณ์นี่อันหนึ่งปัญญาที่เกิดจากการคิดการนึกการบริกรรมเป็นอีกอันหนึ่งคนละเรื่องกันเลยนั้นอย่างโกรธขึ้นมาเราโกรธนอโกดธน้อนะมันตกจากวิปัสสนาทันทีเลยเมื่อไหร่คิดเมื่อนั้นไม่ใช่วิปัสสนาหรอกเพราะในอุทยพยายานจิตเลยขั้นความคิดแล้วคิดได้ถึงสมมสนญาณสมมาสัญญาณนี่เห็นไตรลักษณ์ แต่เห็นด้วยการคิดเช่นเราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเพราะหน้าตาของเราวันนี้กับหน้าตาปีกลายไม่เหมือนกันจิตไม่เที่ยงเพราะจิตเมื่อวานกับจิตวันนี้ไม่เหมือนกันอีนนี้รู้ด้วยสมมสนญญาถ้าอุทยาพยญ า, ยาเราจะเห็นจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะดับว้าบลงไปมันจะแบงๆไปเล็กๆมีช่องว่างเล็กๆหมดขั้นอยู่แล้วจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ก็ดับไปมีช่องว่างเล็กๆหมงขั้นอีกอันนี้สันตติขาด จิตไม่ได้มีดวงเดียวเหมือนที่เคยคิดแล้แต่จิตนี่เกิดดับเกิดดับนะมีช่องว่างมาขั้นตลอดนี้เรียกว่าสันติขาดนะนี่ถึงจะขึ้นมิปรสนาดนะังนั้นที่เราทําอยู่ส่วนใหญ่ได้แค่สมถะแต่ว่าไม่ได้ยากนะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยไปตามรู้ตามดูไปเดียวก็เห็นแล้วง่ายๆคนดูได้เยอะแยะของคุณสรนใช้เวลาเรียนนานหน่อย45ปีเพราะว่าติด ข, ของเก่าเยอะตอนนี้หลุดออกมาจากของเก่าได้แล้วดีใจด้วย ไม่งั้นจะต้องไปเปลีป่ยนฝลมเอาสัญญาไม่เที่ยงอา้าส่งไปก่อนไม่รู้จะพูดนอนึกออกแล้วครับพุตสาซ้อมไหมนะซ้อมมาตั้งแต่นอกวัดเด <laughs> ็กมาแล้วจะถามเอา้ามันลืมไปแล้วเอา้าส่งไปก่อนอตอนนี้มันตื่นเต้นอย่างไม่ต้องถามาลุกลี้ลุกลนเป็นปหมดแล้วอ อันนี้อันนี้เดี๋ยวฝากถามไว้ก่อนครับคือเมื่อเช้าหลวงพ่อทิ้งท้ายว่าให้เตือนเรื่องเทศค้างไว้ค้ค้างแล้วค้างเลยทิ้งมันไปนเลย <c oughs> ของเก่าเอาทำไมก็เ <c oughs> ช้าวันนี้จิตมันกระจัดก <c oughs> <ๆ>ระจายลอยทุบป่องทุป่องมันลุกโป่งอะไรอย่างนี้ครับแล้วถูกครับแล้วก็มีเผลอไม่ชอบแล้วก็เกิดโทสะไปยุ่งกับมันเป็นพักๆครับจริงๆแล้วสมาธะก็สําคัญนะ พวกเราหลายคนยังเข้าใจผิดว่าหลวงพ่อไม่ให้ทําสมถะพระอะไรไม่สอนให้ทําสมถะพระพุทธเจ้าสอนนี่ท่านบอกว่าธรรมะที่ควรจเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาต้องเจริญด้วยปัญญาอันยิง่งเพราะงั้นตอนนี้ถ้าใจมันกระจิดกระจา ย, ย่าไปอัดอย่างนั้นอัดอย่างนั้นไม่ใช่ปัญญาละรู้สึกไหมกําลังอัดตัวเองอุตรลุดเลยครับเลกิกซะส่งไม้ไปก่อน เนี่ยรู้สึกไหมตรงนี้หลุดออกมาได้หน่อยหนึ่งบบอเออนะแบบเพราะมันเผลอไปเผลอมลืมเ พ, เพงเ่งนอกจากบางทีมันก็มันทําวิปัสสนาอยู่แป๊บหนึ่งมันก็หลุดเข้าช่องไปทำไม่เป็นไรสมรถะถ้าจิตคลิกไปเป็นสมถารู้ว่าเป็นสมถะก็ใช้ได้แล้วก็วทําต่อไปได้นะแต่ก็รู้ต่อไปอย่าไปนอนแช่อยู่อารมณ์ก็แล้วกันถ้านอนแช่แล้วเสียเวลามันมันไม่ค่อยยอมมันดูไม่ออก ตอนที่มันเข้าไปแช่แล้วมันไม่เคยยอมถอนออกมาดูยากครับเออดูยากเหรอก็ เ, เปลี่ยนอารมณ์ซะไปดูสาวแทน <c oughs> บางคนมันทุเรศนะ ม, นมันบอกหลวงพ่อนะั้นไปเห็นสาวบอกรู้รูปนามนะเห็น <c oughs> สาวสาวคนนี้สวยนี่รูปสวยเห็นรูปรู้ด้วยว่าชื่ออะไรเเรีวยกว่ารู้รูปนาม <c oughs> อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะ รูปนามอย่างเงี้ยอ๋อก็เปลี่ยนถ้าเกิดว่ามันเริ่มหลุด เ, ลเขา้าช่องนั้นก็ไปเปลี่ยนอล เ, เปลี่ยนอมณ์ที่ต้องเปลี่ยนนี่เป็นอุบายถ้าหลักก็คือมันเป็นอย่างนั้นรู้ว่าเป็นางนั้นแต่ว่าสำหรับจักเนี่ยมันติดตรงนี้รุนแรงไปใช้อุบายไปก่อนเปลี่ยนอารมณ์ซะครับบางทีอย่างจิตดูไอ้จิตที่มันหลงไปคิดเนี่ยถึงเห็นว่ามัน คุณภาพเนี่ยมันต่างกันจริงๆมันมันมีการรู้บางลักษณะที่เห็นมันหลุดออกไปเลยอืแต่ว่าอย่างนั้นก็ยังเห็นไม่ค่อยจะชัดไม่เป็นไรเห็นเท่าที่เห็นได้<ะ>ใช้ได้แล้วจกักวันนี้ภาวนาดีเสียแต่ฟุ้งสั้นเกินไปนิดหนึ่ง <c oughs> ดูออกไหมหลังกินข้าวอะครับหลังกินข้าวแล้วฟุฟ้ฟองเอะเฉพาะวันน <c oughs> ี้ครับหรือว่าถ้ากินข้าวแล้วฟุ้งก็ต้องอดข้าว <c oughs> แล้วแต่ว่าทํากรรมฐานชนิดไหนแล้วสติเกิดดีก็ อ, อย่างนั้นเลย บางคนก็ต้องอดอดหน่อยภาวานาดีได้ยินอย่างนี้เดี๋ยวกลุ้มใจไม่ให้กินข้าวยังบังคับอยู่ดูออกไหมเบอ ร, ร์แนปะดสิบเอรดอ่ะยังไปอัดมันทื่อๆอยู่นะอ่งนนอะนอยากทำยังไงเดียดเออทนๆไปดีแล้วช่วยไม่ได้ก็ทนๆไปครับก็ อตื่นเต้นครับนึกไม่ออกอีกคนแล้วคุณไม่รู้จะบรรยายอะไรก็ตื่นเต้นไว้ก่อนเอาอย่างนี้เอกรักษณ์ส่งไปให้ผู้หญิงคนนี้ก่อนคนนี้ตื่นเต้นจะแย่แล้วะให้พูดพูดไปจะได้รู้แล้วรู้รอดไปค่ะเพิ่งเริ่มปฏิบัติค่ะเลยยังไม่แน่ใจว่าที่ทำอยู่เนี่ยมันมันถูกต้องหรือยังจะไปหัดดูใจตัวเองไปสังเกตใจเราแต่ละวันไม่เหมือนกันดรอกแล้วใช่ไ่ะ แต่และเวลาก็ไม่เหมือนกันดูออแล้ว ย, ออยังช้างสายป่ายเย็นไม่เหมือนกันน ะ, ะแล้วต่อไปดูแต่ละขณะไม่เหมือนกันอย่างเราเห็นหน้าคนนี้ความรู้สึกเราเป็นอย่างหนึ่งเห็นคนนี้ความรู้สึกเป็นอีกอย่างเนี่ยให้คอยดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงดูทั้งวันเลยค่ะคือถ้าเกิดว่าตอนช่วงที่เราตั้งใจสมมติทําสมาธิแล้วก็ดู ดูความรู้สึกไปด้วยเนี่ยมันยังพอดูได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดช่วงระหว่างวันเนี่ยถ้าไม่มีอารมณ์มากระทบแรงๆเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกถ้งั้นะก็ทําตามรูปแบบไปก่อนทุกวันไม่ลาทิ้งนะถึงจะภาวนาเก่งแล้วก็อย่าลาทิ้งนะ <Okay. S 2> การทําในรูปแบบจําเป็นนะหัดไหว้พระสวดมนต์ทุกวันนะทำสมาธิเดินจงกรมทุกวัน <Okay. S 2> แล้วก็หัดดูใจไป <Okay. S 2> เช่นเราสวดมนต์อยู่ใจแอบไปคิดเรื่องอื่นแล้ ว, ลวเราก็รู้ทัน mm. หรือเรา หายใจเข้าหายใจออกดูท้องพองยุบอะไรก็ได้แล้วแต่เคยทำอะไรก็ได้แล้วใจหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้เนะช่นมันไปเพ่งท้องก็รู้ไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเป็นกุศลอกุศลก็รู้ได้ได้หัดรู้ไปเดี๋ยวสติจะเกิดในชีวิตประจำวันนะทุกวันถ้าเราซ้อมรู้สภาวะนะซ้อมรู้สภาวะทาในรูปแบบแล้วก็ซ้อมรู้สภาวะไปเดี๋ยวก็ใจลอยไปคิด เดี๋ยวก็ไปเพ่งนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งซ่านหัดรู้ไปเรื่อยๆแต่ไปจิตจำสภาวะได้แล้วสติจะเกิดเองไม่ใช่หลวงพ่อพูดนะพระอาพิธรรมสอนไว้อย่างนั้นนหะสติมีทิละสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดทีระสัญญาทอถุงสระอิรอเรือทีระสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะรมได้แม่นยำนี่จิตจะจำสภาวะได้แม่นยำถ้าเราหัดรู้หัดดูบ่อยๆ รู้บ่อยๆเช่นเราพุโทโธไปใจหนีไปคิดก็รู้พุโทโธไปแล้วใจเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้หัดอย่างนี้ยหัดรู้สภาวะหรือนะหัดดูท่องฟองยุยกเท้าย่างเท้าอะไรก็ได้เรื้องต้นอ่ะนะไม่มีอะไรเลยท่องกอกไก่ขอกไข่ก็ได้กเอกไข่ขอกไข่อยู่ในเล้านะหลวงพ่อเคยไปเจอหลวงพ่อกเกษมนะเทศให้หลวงพ่อฟังกลางดึกพิเศษด้วยนะวันนั้นไม่รับแขก ยอมให้หลวงพ่อไปนั่งหน้าระเบียงท่านท่านเปิดประตูมาถือว่าไม่ได้รับแขกไม่ได้ให้เข้าห้องแล้วท่านก็ไม่ได้ออกมาจากห้องแล้วท่านก็เทศให้ฟังก็เอ้ยก็ไก่เขาไข่อยู่ในล้างเฟังแล้วปวดหัวใจเมื่อตายแล้วศาสนาพุทธจะแย่แล้วถ้าใครเข้ามาได้ยินแล้วแย่แน่ตรวจไปเลยได้หลงท้ายท่านตอบท้ายประโยคเรื่องหงายท้องเลยแอปตกระเบียงท่านเลยท่านคิด คิดดีก็ใจเย็นคิดไม่เป็นใจเย็นสบายไอเราในะคิดไม่ดีนะคิดกลุ่มใจเป็นห่วงศาสนาว่าพระเทศก็เอ๋ยก็ไก่ <c oughs> โอ้สอนธรรมะเราน่าใจนี่เย็นโอ้เยอกเลยเ <c oughs> ก่งนะาวงนี้เก่งไปเจอท่านสนุกฝุดสุดเลยมันมากแต่เล่าไม่ได้แล้วไม่ใช่กลละวัสน์ออาเอกลักษณ์ ที่ผ่านมาพอดูๆไประหว่างวันนะครับบางทีจิตมันเข้าไปสงบของมันเองอืมครับดีแล้วแล้วพอถอนออกมาคือบางทีมันก็จะไปติดความสงบแต่ถ้าเรารู้ทันมันก็คือเอาไอ้ตรงความสงบตรงนั้นมารู้อารมณ์หลังจากถอนนะครับอืมดีแล้วใช้ได้รู้ได้ดีแล้วเอาคุณสันยังเหลือการบังคับตัวเองนิดหน่อยนะดูออกใช่ไหมเป็นของเก่าที่เหลืออยู่ กลาวในมรส ก, การหลวงพ่อนะครับคือได้อ่านหนังสือของหลวงพ่อสองเล่มที่เขียนแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยนะครับคิดว่าได้ผลไม่เคยเห็นความอัศจรรย์ในจิตอย่างนี้มา่ก่อนเมื่อก่อนเป็นคนมีความทุกข์ปัจจุบันนี้ลดลงมไม่ใช่แปลว่าไม่ทุกข์เลยแต่ว่าสังเกตว่าเวลาจิตเป็นไปหลงคิดหลงหลงคิดหลงเพลงเนี่ยทุกข์แต่พอมันรู้ตัวมันถอนปุ๊บ มันก็เริ่มมันพอมันมีสติคือมันเป็นอย่างที่ ห, หลวงพ่อพูดหรือเขียนจริงๆอืเป็นศัจธรรมเริ่มเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ของเรามันเป็นของมันอย่างนั้นอืมันเป็นรูป ก, ก้อนธาตุนี่แหละที่อาจารย์หลวงพ่อพูดอย่าไปเวลานั่งให้รู้ว่านั่งแต่ผมก็ไม่ได้เพ่งตรงนี้มากแต่ผมเพ่งตรงดูจิตแต่ว่าไม่ใช่ว่าดูได้ทุกตลอดเวลายี่สบี่ชั่วโมงมบางทีมันก็พลาด รับพันตุกะดอ่ะยกไป บ, บ, บางทีมันก็พลาดไปแต่ผมอยากจะรู้ว่าเวลาเราดูจิตเรานั้นเนี่ยโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งผมก็จะทําตามหนังสือที่หลวงพ่อพูดคือถ้าอะไรมากระทบทวารทั้งหโดยเฉพาะใจธรรมารมเนี่ยเป็นตัวสําคัญที่สุดมันจะช่วยนําเราไปความฟุ้งซ่านมากแต่เวลาเราเห็ น, นหลวงพ่อบางทีเนี่ยเราจะต้องดูมันไปถึงตรงไหนคล้ายๆว่า สมมติเราเห็นคนเราพอใจใช่ไหมครับเห็นรูปพอใจเนี่ยเราในใจเราจะรู้แล้วว่าเออนี่นะจิตเราไปสัมผัสรูปแล้วความรู้สึกของเราบางทีเห็นแล้วเห็นทุกข์เพราะว่าเห็นไปเนี่ยมันร้อนลุ่ ม, มครับอพอมันร้อนรุ่มก็อยากพอมันอยากปุ๊บมันก็ทุกข์อันนี้คือผมเข้าใจตัวเองว่าเนี่ยท่านพยายามสองอันนี้ดูทุกข์เลยเห็นไหมไอ้อยากตรงนี้อยากจะได้ให้เขามายกย่องเราเอ้าเป็นทุกข์อีกแล้วผมไม่รู้ว่าถูกหรือผิดถูกถูก มันทุกมันทุกเห็นจะชัดเลยแล้วเดี๋ยวแบบแล้เดี๋ยวสักเดี๋ยวเนี่ยมันก็เกิดจิตเนี่ยมันเกิดได้มันดับได้อมันก็ตั้งอยู่บางทีก็ดับถ้าเราถ้าเรามองมันนะครับแต่ถ้าเราไม่มองมันเนี่ยมันไปตามกระแสโลกคือไปอย่างที่เคยเป็นนะฮะคือไปก็โมโหโธ่โศว่ากันไปทําไมเขาไม่แหย่เราทําไมไอ้คนนี้มันยกย่องเราทําไมอะไรเป็นบ้าไปตามเรื่องแต่อย่างนี้เนี่ยมันก็เริ่มเห็นนิดๆแต่มันไม่ชัดว่าไอ้ไอ้ ไอ้ตัวจิตเนี่ยว่าไม่ใช่ของเราของขาวอย่างที่หลวงพ่อสนอนมันยังมองไม่เห็นช<อ>ัดแต่มันก็เห็นเป็นเหมือนเห็นในการอ่านประกอบกับการสังเกตจิตเนี่ยว่ามันยังไม่ได้ว่าเห็นชัดอย่างนั้นหรอกแต่มันก็เริ่มเป็นเงาๆว่ า, าในใจผมนะว่าเออมันมันไม่ใช่ของเราเพราะว่าก็มันเกิดมันดับมันเกิดมันดับไอ้ขันเนี่ยเริ่มเห็นว่าขันเนี่ยมันเป็นกระบวนการอย่างไหนก็ไม่รู้อยู่อย่างเป็นกระบวนการผมใช้คำว่าวกระบวนการไอ้กระบวนการตัวเนี้ย ถ้าหากว่าเราดูมันดีๆจ้องมันดีๆเนี่ยมันจะหยุดมันมันจะหยุดมาเรื่องมันมันมีความยั้งเหมือนตัวอะไรมันยั้งเราไว้แต่ถ้าเราไม่ยั้งไอกระบวนการตัวเนี้ยแต่เริ่มเห็นว่าคนเราไอที่ว่าคนคนอะไรทั้งหลายเนี่ยที่อยากอะไรกันทั้งหลายเนี่ยจริงๆเกิดจากกระบวนการขันนั้นั้นี่ยไม่ได้เกิดจากตัวอื่นหรอกไอว่าคนอะไรงงอย่างเงี้ยคือเรามองจริงๆเนี่ยมันเกิดจากทั้งหมดในโลกเนี่ยเกิดจากกระบวนการตรงเนี้ตรงตรงตรงสมองแล้ว หรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้ว่าที่เรียกว่าขันเนี่ยที่หลวงพ่อพูดเนี่ยนั้นะผมก็พยายามทําตามแต่ขณะนี้เนี่ยถ้าถามว่าเห็นกายว่ามันไม่ใช่ของเราจะเห็นชัดกว่าเห็นจิตว่าจิตไม่ใช่ของเราเนี่ยเห็นลางๆเหมือนเงายังไม่ชัดเจนหรอกแต่ว่าแต่คิดว่ามาถูกเพราะผมไม่เคยปฏิบัติในสํานักอื่นแล้วในธรรมถามก็ทําไม่ได้เพราะผมนั่งแล้วใจผมตเตลิดไปไหนไม่รู้เพราะผมเป็นคนช่างคิดเพอผมคิด เอาไอ้ความคิดที่มีอยู่เนี่ยมาเพ่งดูดูจิตบ่อยๆเนี่ยเพ่งเพ่งแล้รู้สึกเป็นสุขแต่ความสุขที่สงบนี่ก็ไม่ยั่งยืนนะครับ ม, มันก็เดี๋ยวมันก็ไปได้อื่นแต่ไปกไป็ไปเดี๋ยวถ้า ก, กลับมาใหม่ก็ได้อพอละพอละนะเดี๋ยวใจฟุง้งใจเริ่มฟุ้งแล้วครับใจมันเริ่มฟุ้งในธรรมะเรารู้สึกนะกภาวานาอยู่ใช้ได้แล้วฮะภาวานาอยู่ใช้ได้แล้วเบื้องต้นเนี่ยเราจะเห็นกายไม่ใช่เราก่อน ร่กายเนี่ยดูง่ายพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่ไม่ได้สดับนะสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่เราแต่เห็นไม่ได้ว่าจิตไม่ใช่เราเพราะจิตนี่เกิดดับรวดเร็วมันรวดเร็วจนเรารู้สึกว่าไม่เกิดดับเหมือนอย่างไฟฟ้ามันเกิดดับวินาทีหนึ่งหลายสิครั้งเราเลยรู้สึกว่าเที่ยงจิตเกิดดับแต่ว่าพอเราฝึกไปสติปัญญาเราัยขึ้นไปขึ้นเราจะเห็นความเกิดดับทีแรกก็คล้ายๆเห็นเงาๆก่อน นลงปูเหลียน oh, <te atz> ันใช้คำว่าเงานิพานเห็นเงาๆกันแต่ันไดที่มันแจ้งแล้วมันแจ้งวับเดียวก็ขาดแล้วมันยังไม่ไม่ไม่เท่เป็นไงแม่ตายสนุกไหมอ๋อก็รู้สึกเบิกบานมากขึ้นค่ะหลวงอาเออมันต้องเหงนั้นสิแม่ตายต้องเบิกบานนะจะเศร้าโศกเไม่ใช่ชาวพุทธหรอกก็ก็ ก็อตอนตอนเห็แม่ตายก็สึกมืนเห็นก็คนอื่นนะคะหลวงอาเพราะตอนแรกเคยคิดว่าถ้าคุณแม่ตายจะจะทนทุกท ร, รมารแค่ไหนก็ตอนแรกก็ก็คิดตรงบไปก่อนนะคะแต่พอเห็นจริงๆก็ก็ก็ยังงงองตัวเองค่ะหลวงอาว่ามันเบิกบานมากเพร <อ S 1> เราภาวนาเป็นเราศึกษาธรรมะศึกษาเจริญสติดูจิต ด, ดูใจเรื่อยๆนะเวลาสภาวะธรรมอะไรที่รุนแรงเกิดขึ้นนะมันตั้งหลักง่ายไม่เหมือนชาวโลกอย่างในธรรมบทมีอยู่เรื่องหนึ่ง เป็นครอบครัวชาวนานะวันหนึ่งก็พากันไปทำนาพวกผู้ชายไปทำงานทำนาพวกผู้หญิงอยู่บ้านลูกชายถูกงูเห่าขัดตายแพ่อก็เห็นว่าลูกชายตายแล้วช่วยไม่ได้เนี่แกก็ไถานาของแกต่อไปนะพอมีคนเดินผ่านมาแกบอกให้ช่วยแวะไปบอกที่บ้านด้วยว่าทุกวันเนี่ยมาส่งข้าวสองห่อนะวันนี้ห่อเดียวพอที่บ้านนะั้นพอได้ยินอย่างนี้อ๋อลูกชายตายแล้ว เป็นที่รู้กันรู้กั น, กนสามี ม, มีมีสะ า, ายอยู่ด้วยสะพ้ายก็รู้ว่าสามีตายแล้วก็ไม่ไม่เสียใจอะไรถึงเวลาก็ส่งคนมาส่งข้าวอันเย็นก็พากันออกมาจากบ้านมาเผาศพเผาศพคนก็มาเห็นมาสงสัยไอ้ไพวกนี้หน้าตาเบิกบานจะ <c oughs> ถามว่าไอ้คนที่ตายนี่เป็นที่เกลียดชังใช่ไหมมันตายแล้วดีมีความสุขบอกไม่ใช่นี่เป็นที่รักแต่ว่าพวกเขามีปัญญา ชีวิตเหมือนหม้อดินเลยมันแตกแล้วทําไงได้นี่คนมีปัญญานะไม่ทุกข์หรอกคนไม่มีปัญญาถึงจะทุกข์หลวงพ่อแนละ้ตอนเตียหนหลวงพ่อตายนะก็เบิกบานอย่างนะี้เบิกบานเยอะเลยเออตายแล้วตายแล้วตายให้เราดูจริงๆนี่สอนธรรมะเรานะด้วยการตายให้ดูฟังแล้วคล้ๆลูกอัตันอยู่นะใช่ค่ะหลวงอาก็รู้สึกเยอะเหมือนกันนะคะ่ะรู้สึกไหมกลัวคนก็ว่าใจไม้ไส้หละกรรม ไม่ออกเหมือมนกันนะคะความู้กว่ามันเหมือนอิสล า, นนาจะร้องให้ใช่อหมก็ร้องไปทำเยน็นนิดหน่อยค่ะเออนะเดีย๋ยวเข า, ะเาจะหาว่าเดี๋ยวเขาว่าดีใจได้มรดกเต้างทรงตอบไป <laughs> มันต้องอย่างนี้สิภาวนาแล้วใจยังกระเพื่มขึ้นกระเพื่มลงไม่เอาไหนดอกช่วงนี้เริ่มเห็นกิเลส ใ, ในชีวิตประจําวันได้มากขึ้นค่ะที แต่ตอนที่ภาวนานี่ไม่ชราบว่าสติตัวจริงเกิดหรือยังดูเห็นพอใช้ได้ละใครดูไปได้แต่จิตขณะนี้มีโมหะรู้ออกไหมโมว์โมว์จิตมันมีโมหะแทรกอยู่ก็รู้ทันมัน เ, เ, ออเวลาภาวนามันบางวันดีบางวันไม่ดีครับก็ธรรมดานะถ้าดีทุกวันมันจะเป็นอัตตานี่นเป็นอนัตตาดีมั่งร้รายมั่ง ช่วงแรกตอนมันตอนมันไม่ดีรู้สึกอยากให้มันดีอให้รู้ทันนี่ยไม่เป็นกลางแล้ววนไหนมันดีอยากให้อยู่นานๆให้รู้ทันว่าไม่เป็นกลางมีมีวันหนึ่งสงสัยว่าจะไปไปจ้องดูจิตครับเห็นเห็นมันเปลี่ยนแปลงนาทีละหลายหลายครั้งอืดีแต่ว่ามันมันทำให้มึนเออย่างนั้นจงใจดูเยอะไปดูไปตามลําดับดูเท่าที่ดูได้นะ อย่าไปร้าสติมากไปสติถ้าเรามากไปเอาไปจดจ้องไว้นะเครียดดูสบายสบายครับจานนูบิ์ใช้ได้นะีนจานนี้ก็ดีแล้วดีขึ้นแล้พวพูดนะครับตมตอนเช้าดูเหมือนไม่มีอะไรแต่หนักม า, ากสัตว์มันแข็งแข็งไม่มีความว้องไวแต่ตอนนี้สึกเบาขึ้นนิดหน่อยแครับกระจายได้นิดหน่อยครับก็บางเมื่อกี้นี่เอง เชื่อในคําสอนของพระพุทธศาสนาแต่ทําไมหนูไม่ไปทั้งใจอะคะ่ะไม่อะไรนะไม่ไปทั้งใจอะคะ่ะไม่ไปไไเลยเชื่อในคําสอนนะคะรู้ว่าทุกอย่างมีจริงแล้วก็ดีแต่ทําไมเวลานู ก, กาบพระรู้ว่าทําสมาธิทําไมใจหนูมันไม่ไปอะคะ่ะจะไปไหนอะหมายถึงว่าไม่น้อมไปอะคะ่ะอ๋อ มันกระด้างอยู่เราก็รู้ว่ากระด้างรู้ไปอย่างที่เขาเป็นนะะถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆเราจะรู้เลยทั้งกายทั้งใจนี้เป็นของที่บังคับไม่ได้รู้สึกไหมมันจะกระด้างมันก็กระด้างเวลาเวลาอยากจะนั่งสมาธินี่พอนั่งลงปุ๊บเนี่ยอยากจะลุกเลยให้รู้ทันว่าอยากจะลุกนะแล้วแล้วน cool er ั pues <S <s ่งต่อใช่ไหมคะเออเราก็นั่งต่อไปนั่งดูไปเรื่อยดูใจที่มันดิ้นกลุขักกุกลักอ่ะมันไม่อยากนั่ง <C HA> นั่งดูมันไปเรื่อยๆค <C HA> ่ะไปเรื่อยๆค <C HA> ่ะรู้เอีกข้อหนึ่งอะคะ่ะ ห, หนูมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินในบ้านนะคะแต่ที่บ้า น, นะมีกันแค่สองคนเวลาเวลาเดิน เ, เ, เ, เหมือนเหมือนเดินหลายคนนะคะไม่เป็นไรเรื่องของเขา <C HA> เราเดินได้เขาก็เดินได้ต่างคนต่างเดินไม่เหยียบกันหรอกก็ <C HA> แต่หนูสงสัยว่าจริงหรือเปล่าอะไรพยายามสังเกตดูหลายครั้ง ถ้าสมมติว่าเราไปรู้สึกหรือเห็นถึงผีสางเทวดาเนี่ยนะใจเรากลัวให้รู้ว่ากลัวใจเราสงสัยให้รู้ว่าสงสัยส่วนมันจะจริงหรือมันจะปลอมไม่มีความหมายอะไรเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราขนาดนี้คือเราเกิดกิเลสอนะ่ะเช่นเรากลัวหรือเราสงสัยให้รู้ที่ใจเรานะให้ดูกิเลสอย่าดูผีอ้อบคุณหมู อาทิตย์ที่แล้วก็ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นครับหลวงพ่อครับก็ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มอีกเล็กน้อยครับเหรียนรู้อะไรนะอยู่กับตัวเองอยู่ยังไงก็อยู่กับตัวเองก็ดูสภาวะอะไรเกิดขึ้นแต่ก่อนเคยรู้สึกว่ามันสบายๆนะครับก็ปล่อยมันไม่ได้ไปสนใจอะไรมันนะฮะก็ไม่ได้รู้สึกว่าเห็นเกิดดับอะไรเกิดขึ้นะครับตอนนี้ตรึงไว้หน่อยหนึ่งดูออกไมกดอยู่นะดูออกเปล่า าอาจจะเป็นทางกายมันมันกดนดันกายายมันก็กดนะใจมันก็กดรดูออกไหมตรงนี้ก็เป็นครับทางกายนะใช้ใจของเราสบายๆแผ่ใส่มันไปให้มันคลายออกเดี๋ยวทางใจอย่าไปกดมันกดมาแล้วไม่มีคุณภาพไม่มีแรงเนี๋ยมีแต่ความทุกข์แล้วเห็นอะไรอยู่กับตัวเองเห็นอะไรก็เลยสังเกต เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อ ย, น, อยนะก็เห็นมันมันเกิดดับเห็นสะพาวาเริ่มเห็นสภพาวาเกิดดับบางครั้งก็เห็นใจมันเคลื่อนไปไปจะไปรับไปหลงกกําลังเคลื่อนก็เห็นมันมันก็เลยดับไปบเออดีๆใช้ได้หญิง ด, ดีแล้วครับเห็นอย่างงั้แหละดีช่วงเช้าก็ฟุ้งซ่านนะฮะหลวงพ่อแล้วก็รู้สึกโมมั ว, มวแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นนะคะ ชีรัต ท, ทำไมไม่มานั่งใกล้ๆหลวงพ่อก็มีโมหะครับเออโมหะมัน เ, เยอะถ้าเข้าใกล้มันหายนะนั่นแบบดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ยิ่หาง ก, ก็มัวไปหน่อยจีรับิาราศกาลหลวงพ่อรู้ไบังคับให้รู้ทันใจที่บังคับนะรู้สึกไหม ใ, หใจกระสับกระสายให้รู้ทันความกระสับกระสาย รู้ลงปัจจุบันไปได้เดี๋ยใจเข้าไปสังเกตแว บ, บๆสองทีดูออกไหมให้รู้ทันว่าจะส่งใจไปสังเกตเดี๋ยส่งใจไปแล้วรู้สึกไหมให้รู้ทันอรับไมมาแล้วตื่นเต้นใช่ไหมหลวงลงเข้าเลยถ่วงเวลานิดนึงให้ตื่นเต้นนานๆแกล้งก็ระหว่างวันรู้สึกว่าบางครั้งมองเห็นรู้สึกตัวเองแต่ไม่ค่อยชัดนะคะหลวงพ่อเหมือนกับ มันรู้สึกเบาๆไ ม, ไม่ไม่ไม่ชัดเจนว่ารู้สึกตัวขึ้ไน ไ, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่ต้องชัดหรอกรู้เท่าที่รู้ได้ที่ทำอยู่ตอนนี้ใช้ได้นะใจก็โปร่งขึ้นละดค่ะหนูไม่แน่ใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทอะไรนะค่ะหลวงพ่อที่ว่าพอมาถึงอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะอะไรที่ว่าเสร็จแล้วมันก็จะเป็นภพชาติแล้วก็ เหมือนไซเคิลดับไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนิพานหนูงงตรงเนี้ยค่ะไม่เป็นไรหนูจะหายงงนะตอนเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าตอนได้โสดาสกิธาคาเนี่ยจะหายงงท่านปลายนะตรงนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานพบชาติทุกขุนนี้จะเคลียเปล่าคะ่ะหนูเข้าใจไม่แน่ใจว่าถูกไหมอะค่ะว่ามันเอามาใช้กับชีวิตประจาวันอะ มันต่างกับไอ้ที่ว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันจะต่างยังไงล่ะปฏิจจสมุปบา ท, ทจริงๆเนี่ยนะคือกระบวนการนะที่จิตเนี่ยมันปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมานะรากเหง้าของมันคือความไม่รู้ทุกข์ความไม่รู้อริยนสะัจเพราะไม่รู้อริยสัจคือไม่รู้ทุกข์หลวงพ่อพูดแบบย่อนะถ้วพูด12องอันนี้ ย, ยาวความไม่รู้ทุกข์หรือความไม่รู้อริยสัจนี่แหละเรียกว่าอาวิชชา อาวิชาคืออะไรเราไม่รู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่เราหรอกเราคิดว่ามันเป็นเราเราคิดว่ากายในี้ใจนี้คือตัวเราเรายึดอย่างเหนียวแน่นว่ากายในี้ใจนี้คือตัวเราเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นทุนากข์เราไม่เห็นว่ากายกับใจจริงๆเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเราไม่เห็นว่ากายกับใจจริงๆเป็นสมบัติของโลกที่ยืมก็มาใช้เราคิดว่าเป็นของเราจริงๆเนี่คือตัวอวิชา เพราะฉะนั้นเรามียวิชาเราคิดว่านี่คือตัวเราจริงๆแล้วก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาอยากให้มันมีความสุขอยากให้มันทนทุกข์พอมีตัญหาขึ้นมาใจมันก็จะดิ้นรนดิ้นรนตัวนี้เรียกว่าพบการดิ้นรนของจิตใจพอใจดิ้นดิ้นรนรู้สึกไหมความทุกข์ก็จะเกิดะเรียนย่อยๆอย่างนี้กันนะนแค่นี้ก็พอแล้วถ้าเข้าใจาวิชาก็ต้องเป็นฆราหันแหละเข้าใจอริยสัจ วิชาคือความไม่รู้อริยสัจโยมภาวนาเป็นไงส่งกันบ้านหน่อยก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีขึ้นนะคือเวลาที่อยู่ระหว่างวันนี้พยายามสังเกตดูใจอย่างที่ท่านสอนนะคะก็บางครั้งก็จะมีลืมบ้างแต่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นในระหว่างวันแต่ว่ามาติดตรงที่ การปฏิบัติตามรูปแบบอคือจะทําวัดเช้าทําวัดเย็นนี้รู้สึกว่าพอทําวัดเช้าทําวัดเย็นติดเนี่ยก็จะรู้สึกง่ว ง, วง <c oughs> ค่ะก็เลยแล้วมันมันจะไม่ค่อยสบายใจอ่ะก็เลยจะนั่งสมาธิน้อยมากคือมัน ม, มันมีความรู้สึกเลยว่ามันผิดปกติอ๋อไม่เป็นไรคือบางช่วงนะเราภาวนาถึงเราภาวนาดีนะ งช่วงจะง่วง่วงสุดๆเลยใช่ไม่ผิดหรอกก็เลยว่าเป็นเพราะว่าเราตื่นตื่นแต่ตีสามครึ่งนะคะเพราะว่าจะมาช่วยพี่สาวทำกับข้าวช่ว ง, งช่วงเช้ามืดนี่นั่งสมาธิยากนะเดินสิเดินหรือแทนที่จะต้องเดินเสียไปร่ำเวลานะกวาดบ้านไปด้วยค่ะก็พยายามทำระหว่างวันนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าก็เลยคิดว่าเราคงจะทำพอแล้ว ร่างกายมันคงไม่ไหวแล้วร่างกายไม่ไหวอย่าไปฝืนค่ะ<า><ม>ก็เลยว่าแสดงว่าเขาต้องการให้เราพักผ่อนอเพราะไม่งั้นถ้าเราฝืนทำเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันไม่สบายใจก็เลยไม่ฝืนก็รู้สึกดีขึ้นใช่แล้วก็พักนะพักให้พอค่ะพักพอแล้วตลอดเวลาที่ตื่นมีสติใช่ค่ะจะรู้สึกว่าดีขึ้นถ้าฝึกไปเอย่งงางนี้อย่างนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะถูกแล้มีความสูงเร็วขี้เกียจหรือเปล่าแต่ว่าทุกก้าวที่เดินก็รู้สึกตัว นั่นคือเดินจงกลมนั่นแหละใช่ค่ะก็พยายามกําหนดต้นหนดอยู่ให้รู้ทันนะอย่าไปกำหนดให้นิ่งๆนะค่ะไม่ใช่ค่ะก็บางทีมันก็จะเผลอลืมไปก็มีแต่พอนึกได้ก็ทําปฏิบัติพอนึกได้แล้วอย่าไปดึงมานะไม่ดึงค่ะไม่ดึงนะก็รู้ว่าอันนี้เผลอไปแล้วแค่นั้นพอละก็ให้มาตั้งใหม่สังเกตใหม่เงี้ยถูกแล้วใช่ไหมคะอ้าวบีสวัสดทั้งหลังนยยง บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีค่ะพ่อพูดเป็นไตรลักษณ์นะดีทุกวันก็เพี้ยนสิแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ไม่ไม่ดีค่ะโดยรวมไม่ดีค่ะทำไมรู้ว่าไม่ดีอ่ะมันอะไรวัดว่าบางทีบางวันมันเผลอทีเดียวทั้งวันทีเดียวเลยค่ะเอออย่างนี้หลวงพ่อสแตมให้ไม่ดีรับรองให้บางวันก็จะบ่อยบอย่าทิ้งรูปแบบนะทิ้งรูปแบบของการปฏิบัติจําเป็น ก่อนนอนอะไรเงี้ยต้องฝึกเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรเงี้ยทําในรูปแบบไม่ทิ้งหรอกถ้าทิ้งเราใจไม่ค่อยมีเรื่อมีแรงหลวงพ่อวเวลาที่แบบเวลาสมมุติเวลาเศร้าเงี้ยค่ะก็มองความเศร้าเป็นก้อนก้อนหนึ่งเงี้ยค่ะแล้วก็ดูว่ามันใหญ่ขึ้นเล็กลงอย่างเงี้ยเออดูอย่างเงี้ยดูด้วยความเป็นกลางอยากอยากให้หายเศร้านะดูอย่างเป็นกลางดีแล้วถูกแล้วถ้าส่งต่อไปนะ คนไหนไม่เอาก็ส่งผ่านไปเลยนะยังบังคับตัวเองอยู่ไหมมันตรึงอยู่ครับอะไรนะมันตรึงอยู่เออมันไปตรึงอยู่ให้รู้ทันมันนะแต่เราเราไม่ได้ทำอันนะฮะมันก็ตรึงของมันอย่างอะไรนะเราไม่ได้ไปทำมนนะครับมันก็ตรึงของมันอย่างนั้นนะครับนั่นก็ดีแล้วถ้าเข้าใจก็ไม่ต้องตกใจมันตรึงของมันเองเราบังคับมันไม่ได้ความจริงมันไม่ได้ตรึงเองหรอกเราเคยฝึกตรึงาไว้จนชานาญ มันเคยชินเคยชินที่จะตรึงแล้วเราก็มักจะแต่ก่อนเรามีความเชื่อว่าการปฏิบัติธรรมนะต้องทําอะไรที่เหนือธรรมดาเหนือธรรมดาก็ไม่มีอะไรมากกว่าการบังคับตัวเองอะไปตรึงไหมมันเคยชินอย่าท้อใจนะของคุณเป็นโรคท้อง่ายเรียกของสวนท้อไม่เอานะใจเย็นๆค่อยๆดูไปตอนนี้ถึงตรึงก็ไม่เท่าเมื่อก่อนรู้บอกไหม คือคือหลังๆนี้มันตรึงน้อยสั้นลงะครับใช่มันน้อยลงนะแล้วก็ไม่รุนแรงแต่ก่อนตรึงรุนแรงแล้วก็นานเนะนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่พอใจพอใจแล้วพอใจอย่างที่มันเป็นเรียกรู้จักพอแล้วก็ตามดูมันไปเดี๋ยวมันก็คลายออกเองอย่าใจร้อนนะอย่างที่บอกว่าอายุเยอะแล้วจะรีบหรือไม่ต้องรีบนะ ดูไปจริงๆอายุไม่มีที่สิ้นสุดนะหลวงปู่เทศท่านสอนกราบใดยังมีกิเลสก็ยังมีชีวิตอีกแหละ อ, อายุไม่หมดหรอกชาตินี้ทำยังไม่เสร็จไปต่อชาติหน้าต้องทำไปเรื่อยๆอย่ารีบนะรีบเรายิ่งช้าที่ทำอยู่ตอนนี้ใช้ได้แลวดีขึ้นเยอะแล้วกรามนมันส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะ โยมก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติอะไรมากมายนะเจ้าคะ่ะก็ไม่ค่อยได้นั่งสมาธิเจ้าคะ่ะแต่อยู่ที่บ้านก็ทำงานบ้านทำหน้าที่ของแม่ <ไป S 1> ใสเก็าไหมใจเราขนาดนี้เราพยายามควบคุมตัวเองเจ้าค่ะให้รู้ทันว่ากำลังควบคุมตัวเองอยู่เจ้าค่ะให้รู้ทันไปเรื่อยๆเจ้าค่ะการปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ใช่การทำอะไรแปลกๆเจ้าค่ะไม่การปฏิบัติธรรมไม่ใช่การทำอะไรเหนือธรรมดา การปฏิบัติธรรมจริงๆก็คือการตามรู้กายตามรู้ใจไปอย่างธรรมดาธรรมดารู้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความเป็นธรรมดาของกายของใจธรรมะกับธรรมดาคำเดียวกันนะ <c oughs> เราเห็นเลยธรรมดาของร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกธรรมดาของกายสู่ความทุกข์บีบคั้นตลอดวันตลอดคืนธรรมดาของใจก็คือไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลา ทำงานทั้งวันทั้งคืนตรงนี้ดูออกแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะนะดูไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะรู้สึกไหมบังคับไม่ได้เจ้าค่ะเดี๋ยวปรุงดีเดี๋ยวปรุงร้ายเดี๋ยวปรุงสุขเดี๋ยวปรุงทุก <Okay. S 1> นั่นแหละดีดูไปเรื่อยๆเจ้าค่ะแต่ให้ลดการบังคับตัวเองลงเจ้าค่ะติดที่การบังคับตัวเองอยู่หน่อยเดียวเจ้าค่ะคุณเป็นสีต้องเร็ว่นิดหนึ่งละ หลวงพ่อเจ้าคะสามเดือนแล้วหนูยังไม่ได้เข้าปฏิบัติแบบรูปแบบเลยนะเจ้าคะเ <Okay. S 1> พิ่งจะทําการบ้านส่งหลวงพ่อเมื่อวานนี้เองนะเจ้าคะ่ะแต่ช่วงที่สเดือนนั่นนะคะ <c oughs> ก็ทําอะไรก็ดูๆไปแต่ไม่เห็นสภาพที่ชัดเจนอาจจะไม่ได้ไปเพ่งไปจ้องไปดูก็ได้นะเจ้าคะ <c oughs> เมื่อวานนี้เพิ่งลงมือปฏิบัติได้สองสามบลังอะค่ะก็คือตอนแรกลงมือปฏิบัติก็ยังทำอยู่แต่ไวค่ะตัดเร็วเจ้าค่ะพอตัดเร็วแล้วก็จะมีสภาพที่กลางพอกลางพออีกชุดหนึ่งเขามาแข็งอยู่ดีๆเขาก็แข็งเลยเจ้าค่ะตอนนี้ความรักความชังในแข็งเนี่ยรู้สึกว่าจะดีขึ้นคือเลื่อมกันนิดเดียวเจ้าค่ะเออดีดีดแลขนาเนี้ยแข ง, แขงต แข็งพอลงจากรถก็เริ่มแข็งเจ้าค่ะนี่อเข้าใกล้หลวงพ่อคล้ายๆเข้าใกล้เมดูซ่าเห็นแล้วกลายเป็นก้อนหินหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูเป็นโรคเนี้ยนานมากแล้วมีโอกาสจะหายไหมเจ้าค่ะไม่ไม่ต้องกังวลหรอกนะ <c oughs> ควรอยู่ในวัดอย่างแข็งเลยนะมีที่ไม่กลัวหลวงพ่อจริงๆคือไอ้เหลืองตัวเดียวกราบหลวงพ่อครับคือเพิ่งเริ่มปฏิบัติ <c oughs> ตามพี่หลวงพ่อบอกนี่คือให้ตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปทำอะไรกับมันใช่ไหมครับือตามรู้ตามดูมจิตใจ<า><า>เป็นอย่างที่มันเป็นนะไม่เข้าไปแทรกแซงมันให้ค่อยรู้เรื่อยๆแต่ละวันไม่เหมือนกันแต่ละเวลาไม่เหมือนกันแต่ละขณะก็ไม่เหมือนกันให้ดูไปงั้นครับเสร็จแล้วรู้สึกไหมรู้แล้วครับมันจะหันไปส่งใหม่เนี่ยหันเรื่อยๆใจหนีไปหมดแหละให้รู้ทันนะ เราขาดสติแป๊บหนึ่งเนี่ยให้รู้ทันเป็นขณะขณะไปแต่ไม่ต้องไปบังคับให้มันรู้ไม่บังคับบังคับไม่ได้นะจิตจะหลงห้ามมันไม่ได้อ่ะไปส่งตอบไปไม่เอาก็ส่งไปทางโน้นโอ้จะหมดละดีแต่โยมเล่นพยอยมาเรื่อยๆอย่างแย่นะใครจะไปเริ่มต้นสอนใหม่ไม่มีแล้วนะเนาะอ้าวว่าไปการนมัสการค่ะคือ แต่ก่อนที่เคยฝึกคือดูเวทนากายใช่ไหมคะแล้วไม่ยินดียินร้ายกับเวทนาที่เกิดขึ้นตอนนั้นยังไม่เข้าใจแล้วพอมาหาหลวงพ่อก็เลยเข้าใจว่าเราเผลอไปเพ่งดูแค่เวทนาท่า น, นี้พอเราดูเวทนาเสร็จก็จะกลับมาสังเกตจิตเราว่าจิตเราไปรู้สึกกับเวทนารุนแรงไหมเพราะนี้ก็เลยเริ่มเห็นว่ามันมีคล้ายๆเหมือนตัวผู้รูเ<อ>้เหมืนมนอน โผมาให้เห็นว่าไม่ต้องไปจมอยู่กับตัวเวทนาทีนี้อยากถามหลวงพ่อว่าจริงๆแล้วเราจําเป็นต้องแยกตัวผู้รู้มาดูไหมคะบางเป็นนะนะรู้ไปอย่างเนี้คยค่อยๆหัดไปค่ะจงใจแยกออกมาเดี๋ยวก็ต้องไปลื้อทิ้งทีหลังด้วยคแต่และคนไม่เหมือนกันบางคนต้องจงใจทําขึ้นมาก่อ น, อนแสดงว่าเราชอบเพ่งค่ะเพ่งเวทนาเพ่งกายค่ะนี่เราก็แยกออกมาจิตเป็นคนดู มีกายเวทนาจิตน ะ, ะแล้วทั้งกายทั้งเวทนาจิตก็แสดงคำให้เราดูแปรปรวนไปเรื่อยๆเพราะเราเพิ่งมาสังเกตบ่อยๆตอนหลังว่ามั น, นจิตมันเร็วมากมันสามารถดูกายดูเวทนาดูจิตแล้วก็ความคิดโผล่มาทีเดียวพร้อมกันแล้วก็แต่คือมันเร็วเปิ่มเปิม่เร็วนะไม่พร้อมอ่ะแต่ว่าต่อกันเร็วจนตอนแรก น, นี้ว่าเราไม่มีสติมันไม่มีสมาธิมั่นคงเพราะว่าทําไมเรายังรู้เรื่องความคิดแล้วเราก็ดูกายแล้วเราก็รู้จิต เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรว่าสมาธิมันไม่ขีดคมมันไปดูเรื่องหลายๆอย่างหรือเปล่าคะใช่มันมันเกิดดับเร็วสติมันะระลึกเร็วขึ้นเร็วขึ้นค่ะแต่เดิมที่ภาวนาผิดก็เพราะว่าชอบไปเพ่งใส่กายและเวทนาค่ะจิตมันถลำเข้าไปตอนนี้ดูออกแล้วใช่ไหมค่ะให้จิตมันถอดถอนขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูไว้ไม่ให้ถลำค่ะอย่างนี้ตอนหลังต้องไม่ทําลายตัวผู้รู้อีกที่หลังหรือเปล่าไม่เป็นไรเอาไว้รอเดินอรหันตธรรมค่อยทําลายคเอาไว้ก่อน ท่นี้ถามอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือพอดีพูดถึงเรื่องแยกกา ย, แย ก, แ, ยกแยกรูปแยกนามใช่ไหมคะคือพอเรารู้เนี่ยนี่รูปนั่งอยู่นามเราความรู้สึกใช่ไหมคะเราก็รู้รู้รตัวไปเนี่ยแล้วที่เคยอ่านหนังสือคือแยกรูปแยกนามในระดับที่แบบสโสดาบันใช่ไหมคะถึงนี่อีกประเภทหนึ่งใช่ไหมคะเป็นยังไงแยกระดับโสดาบันตำราอะไรเคือมั น, น <laughs> ไม่ใช่เพรคือแบบเหมือนลาสกายาัติฐิคือการจะเป็นละเอง มันคือการนั่นคือถาวรป่าที่เรามารู้ตัว<ห>เองให้ <bukan? S 2> เรารู้รูปรู้นามไปอย่างเงี้ยการปัญญามันแจ้งแข่มแจ้งพอนะมันจะรวมเข้ามาจิตอนะ่ะจะรวม <Okay. S 2> เข้าอัปปนาสมาธิรวมเองนะ oh. ไม่ต้องรวมนะ <Okay. S 2> มันรวมเองเสร็จแล้วมันจะเกิดสภาวะธรรมต่อกันเจ็ดขณะมันเป็นเองแล้วสกยติที่ขาดแล้วขาดเลยรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งถ้ายังมีเราอยู่คนหนึ่งในนี้นะสกยติที่ยังอยู่ค okay. งั้นดูไว้นะบางคนไปเรียนเรียนกรรมฐานมาบอกเป็นพระอราหันต์แล้วนะหลวงพ่อพาให้ดูสักกายทิฏฐิพอเห็นนะพระอราหันต์เศร้าใจมากเลยกลายเป็นปุถุชนแล้วสักกายทิฏฐิยังอยู่เห็นแล้วใช่ไหมสักกายทิฏฐิเห็นค่ะนั่นแหละดีแล้วก็มีครั้งหนึ่งคือตอนนั่งสมาธิใช่ไหมคะดูดูรูปมันรู้ว่าเจ็บมากแต่มันไม่เข้าใจอะฮะ ม, มันเจ็บเจ็บเจบเจบแล้ว แล้วก็เออทำไมมันไม่เข้าไปในใจเราแล้วเราสึกมันเหมือนเข้าไปในกระดูกแล้วก็เออ ย, ยังเฉยเแล้วก็เห็นจิตตัวหนึ่งยินดีกับการสิ่งที่เราทําได้เปี้ยงทีเดียวมันวิ่งก็ไม่ได้ใจเลยอ๋อแน่เลยโลภะมันเกิดแล้วใช่ไหมคะกิเลสมันเกิดแล้วนะสมาธิเลยแตกกระจัดกระจายแสดงว่าตอนที่เราเห็นมันคือมีสมาธิเรามันก็เลยไม่เข้าใจเราใช่ไหมคะขอบคุณค่ะวันนี้พอนะของโยมเชิญกลับบ้านไปขอคุยกับตาตาเยอะเลย